การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดผลขึ้นมาบรรลุธรรมขั้นต่างๆขึ้นมาผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องมีกำลังใจใจที่ไม่มีกำลังก็เหมือนกับร่างกายที่ไม่มีกำลังร่างกายที่ไม่มีกำลังก็จะไม่สามารถทำงานทำการอะไรต่างๆ ให้ปรากฏเป็นผลขึ้นมาได้คนที่ไม่มีกําลังกายก็ต้องสร้างกําลังกายด้วยการออกกําลังกายด้วยการรับประทานอาหารให้พอให้พอเพียงด้วยการพักผ่อนหลับนอนให้พอเพียงแล้วก็มีการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอร่างกายก็จะมีกําลังขึ้นมา ที่จะนำไปสู่การกระทําต่างๆได้เช่นเวลาไปเกณฑ์ทหารไปเป็นทาหารอารนี้จะต้องมีการฝึกมีการออกกำลังกายมีการวิ่งมีการยกน้ำหนักมีการทําอะไรต่างๆเพื่อเสริมให้กำลังของกายมีเพิ่มมากขึ้นใจก็เป็นเหมือนนั่งกายที่ ต้องมีเครื่องบำลุงให้ใจนี้มีกำลังขึ้นมามีพลังขึ้นมาทำที่จะทำให้ใจนี้มีกำลังมีพลังคือหนึ่งศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สองวิริยะความขยันหมั่นเพียร สสติการระลึกรู้สสมาธิความตั้งมั่นอยู่ในความสงบและหปัญญาคือความฉลาดรอบครอบรู้ความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งหลายนี่คือธรรมะที่จะทำให้ใจมีกำลังมีพลังขึ้นมา ผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อบรรลุทำขั้นต่างๆจึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญต่อการสร้างกำลังใจขึ้นมาเพราะถ้าไม่มีกำลังใจแล้วปฏิบัติไปก็จะปฏิบัติไม่ไหว การทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติก็มีอยู่สามอย่างด้วยกันคือหนึ่งให้ละการกระทำบาป ท, ทั้งปวงสองให้สร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คืองานของใจเหมือนกับงานของร่างกายถ้าเป็นทาหารก็ต้องฝึก ต้องรู้จักใช้อาวุธต้องมีกำลังที่จะต่อสู้กับข้าศึกศัตรูจึงต้องมีการเสริมกำลังเพิ่มกำลังใจก็เหมือนกันใ จ, ท, จที่จะทำที่จะทางานที่พระเจ้าทรงมอบหมายไว้ให้เพื่อที่จะได้ปลดเปลื้องความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเพื่อที่จะสร้างความสุข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 ถ้าไม่มีกําลังใจแล้วจะทําไม่ได้ไม่มีกําลังใจจะให้ละบาปก็ละไม่ได้ไม่จะให้ทําบุญก็ไม่มีกําลังที่จะไปทําบุญให้ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ไม่มีกําลังที่จะทำํำดังนั้นถ้าไม่มีกําลังที่จะทําตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ ถ้าอยากจะทำก็ต้องมาสร้างกำลังให้กับใจมาเติมศรัทธาเติมสติเติมวิริยะเติมสมาธิเติมปัญญาซึ่งเป็นเหมือนน้ำมันรถยนต์จะมีพลังก็ต้องมีการเติมน้ำน้ำมันชนิดต่างๆน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรก น้ำมันหล่อลื่นต่างๆของเครื่องยนต์และยังต้องเติมน้ำเพื่อระบายความร้อนและยังต้องเติมลมให้กับล้อกับยางรถยนต์จึงจะมีพลังมีกำลังที่จะสามารถพาผู้ขับขี่ไปไหนมาไหนตามที่ต้องการได้ใจก็เหมือนกัน ใจต้องการไปมรรคผล น, ผนิพพานใจต้องการไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆจำเป็นที่จะต้องมีกำลังมากกว่าปกติกำลังที่มีอยู่ขณะ น, นี้มีพอเพียงให้จิตอยู่ในระดับของมนุษย์ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อาจจะไหลลงไปสู่ระดับที่ต่ำกว่าได้ถ้าไม่มี กำลังที่จะรักษาใจไม่ให้ตกต่ำกว่าการเป็นมนุษย์อะไรที่ทำให้ใจตกต่ำลงไปกว่าการเป็นมนุษย์ก็คือการกระทำบาปทั้งหลายนี้เองถ้าทำบาปแล้วใจก็จะเลื่อนลงสู่อบายจะไปเกิดเป็นเดละชานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรก ถ้าไม่อยากที่จะให้ใจตกต่ำจากระดับของมนุษย์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ต้องไม่กระทำบาปทั้งปวงการจะไม่กระทำบาปก็ต้องไม่เสพอบายามุขมเพราะการเสพอบายามุขจะเป็นตัวที่ผลักให้ไปกระทำบาปต่อไปอบาปคือหนึ่งการฆ่าสัตว์ การทำ้ายชีวิตของผู้อื่นสองการลักทรัพย์ของผู้อื่ น, ส า, รร ส, นสามการระพติผิดประเวณีผิดสามีผิดภรรยาสี่การพูดปดโกโหกหลอกลวงห้าการเสพสุรายามเมาซึ่งเป็นอบายยามุกแต่มารวมไว้ในสี่ห้าเพื่อที่จะได้ รักษาจิตใจไม่ให้ไปทำบาปนั่นเองเพราะผู้ที่ไม่ดื่มโซรานี้จะมีสติที่จะคอยห้ามจิตใจเวลาคิดที่จะไปทำบาปได้แต่ถ้าดื่มโซราเข้าไปแล้วจะมีอาการเหมือนเมาขาดสติเวลาคิดจะทำบาปจะไม่มีอะไรมายับยัง้งเลยต้องบังคับให ไม่ให้ดื่มสุราซึ่งการดื่มสุราเฉยๆนี้ไม่ได้เป็นบาปเพราะยังไม่ได้ไปทําให้ใครเสียหายเดือดร้อนผู้ที่เสียหายเดือดร้อนก็คือผู้ที่ดื่มสุรานั่นนี่ยเป็นการกระทําร้ายตัวเองเวลาดื่มสุราเพราะว่าเมื่อเกิดอาการมึนเมาแล้วก็จะไม่สามารถไปทํางานทําการไปทําอะไรที่เป็นประโยชน์ได้เพราะจะเอา พอจะทำแต่เรื่องเสียหายหรือไม่เช่นนั้นก็มึนเมานอนไปนอนหลับไปการเดือดร้จึงไม่มีคุณมีประโยชน์มีแต่โทษพระพุทธเจ้าจึงสองห้าไม่ให้เดืสุราอซึ่งเป็นอบายามุกหนึ่งในห้าอบายามุกอบายามุกอีกสีอ่อันก็คือเล่นการพนันการเที่ยวเตะ ความเกียดค้านและการครบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตรนี่เป็นสิ่งที่ผู้ที่อยากจะรักษาสถานภาพของใจไม่ให้ลงต่ำไปกว่าการเป็นมนุษย์จำเป็นที่จะต้องอจะต้องไม่ทำบาทด้วยการรักษาสี่ห้า และไม่เสพอบายามุกไม่เดือมสุราไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวเต่ไม่เกียดคร้านไม่คบคนที่ชอบอบายามุกเป็นเิตนี่คือข้อปฏิบัติข้อที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้านำม า, มาสอนชาวพุทธเราคือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงเพื่อ บ้องกันไม่ให้จิตใจไหลลงสู่ที่ต่ำเราต้องการที่จะผักดันจิตใจให้ขึ้นสูงเพราะขึ้นสูงไปจะมีความสุขมากขึ้นความทุกข์จะน้อยลงไปถ้าลงต่ำความทุกข์จะมีมากขึ้นความสุขจะมีน้อยลงไปจึงต้องควบคุมบังคับไม่ให้ใจไหลลงสู่ที่ต่ำ ด้วยการลการกระทําบาปทั้งปวงแล้วต้องการที่จะดึงให้ใจขึ้นสูงหรือผลักดันให้ใจขึ้นสูงก็ต้องทําทรัพย์ทำบุญทํากุศลต่างๆให้ถึงพร้อมการทําบุญมีหลายชนิดด้วยกันทําบุญทอดกระถินทอดผ้าป่าทําบุญใส่บาตร ท, ทาบุญบริจาคทรัพย์ให้โรงเรียนโรงพยาบาล ทำบุญช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของการทําบุญทํากุศลพ่าเวลาได้ทําบุญแล้วใจจะเกิดความสุขขึ้นมาทาให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นทาให้ความทุกข์ที่มีในใจลดน้อยลงใจก็เจอเล่อนระดับขึ้นสู่ระดับสวรรค์ ระดับของเทวดาของเทพแล้วถ้าอยากจะให้ขึ้นสูงกว่านั้นก็ต้องเพิ่มการกระทําข้อที่สามที่พุทธเจ้าส่งสอนให้กระทําคือให้ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้จําเป็นจะต้องอาศัยเครื่องซักพอกใจเครื่องที่จะมาซักพอกใจก็คือ 1. ศีลศีลต้องเป็นศีลแปดไม่ใช่ศีลหศีลห้านี้ป้องกันไม่ให้ลงต่ำแต่ศีลแดนี้จะป้องกันไม่ให้เกิดจะดันให้ขึ้นสูงถ้ามีศีลแปจะดันจิตใจให้ขึ้นสูงกว่าจิตที่อยู่ในระดับเทพเนี่ยต้องการขึ้นสู่ระดับที่สูงกว่าเทพคือระดับพรหมนี้ จำเป็นที่จะต้องมีศีลเป็นผู้คอยผลักดันแล้วก็มีสติมีสมาธิทำใจให้สงบก็จะทำให้ใจเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้พอเข้าสู่ฌานก็ถือว่าได้เข้าสู่พรมโลกได้เป็นพรมชั้นต่างๆตามกำลังของฌานที่ได้ แล้วถ้าอยากจะขึ้นสูงกว่านั้นอยากจะไปออกจากตายภพออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมไม่ต้องการที่จะลงไปเกิดในอบายก็จําเป็นที่จะต้องเพิ่มการปฏิบัติธรรมอีกขั้นหนึ่งคือขั้นปัญญาปัญญาก็จะทําให้จิตใจนิรุ้เห็น ว่าการเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพนี้เป็นทุกข์รู้ว่าเหตุที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้โลภไม่ให้อยากเพราะสิ่งที่โลภที่อยากนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเป็นสุขก็เป็นสุขแบบชั่วคราวเป็นสุขเดียวเดียว น่าพอมันหมดไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือทำขั้นต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนให้ชาวพุทธเรามาปฏิบัติกั น, นการที่จะปฏิบัติได้นี้ต้องมีกําลังใจเพิ่มขึ้ น, นตอนนี้เรามีกําลังใจในระดับอาจจะมีกําลังใจในระดับ การรักษาศีลไม่เสพอบายามุกเนี่ยทาบุญทาทานแต่ยังอาจจะทำไม่สมบูรณ์บางทีก็ยังผิดศีลอยู่บางทีก็ยังไปเสพอบายามุกอยู่ถ้าเราต้องการที่จะทำให้มันเต็มที่รักษาศีลได้อย่างเต็มที่ไม่เสพอบายมุกได้อย่างเต็มที่ทำบุญได้อย่างเต็มที่ เราต้องเพิ่มกำลังใจให้มีมากขึ้นเพราะเป็นการถ้าเป็นขับรถก็เหมือนกับขับรถขึ้นเขาลงห้วยรถที่จะขึ้นเขาลงห้วยต้องเป็นรถพิเศษไม่ใช่รถธรรมดารถธรรมดาที่วิ่งตามท้องถนนนี่เวลาจะไปเข้าป่าเข้าเขานี้ไปไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นรถโฟล์ว เป็นรถ SUV ยนยำไมนี่นิยมซื้อรถ SUV กันเพราะเวลาน้ำท่วมก็สามารถลุยน้ำได้มีกำลังที่จะสู้กับน้ำเข้าป่าเข้าเขาเข้าได้อย่างสบายปีนเขาขึ้นที่สูงได้ไ้ดอยไปที่ไหนได้เขาจึงนิยมซื้อรถ SUV หรือรถ4ฟร e วกันขับเคลื่อน4ี่ล้อ เพราะมีกำลังมากกว่ารถธรรมดานั่นเองใจของผู้ปฏิบัติทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นนั้นถ้าต้องการขึ้นสู่ระดับของการภาวนาเนี่ยจำเป็นจะต้องมีกำลังมื่อเพิ่มมากกว่าปกติถ้ารักษาศีลห้าทำบุญทมทานนี้อย่างพอที่จะใช้ กำลังแบบธรรมดาได้อยู่กำลังที่มีอยู่ก็พอที่จะรักษาศีหน้าได้พอที่จะละเว้นอบายามุขได้พอที่จะทำบุญทำทานได้แต่ถ้าอยากจะให้มันได้เต็มร้อยนี่จะต้องมีการเพิ่มพลังให้กับใจต้องมาเพิ่มศรัทธาสติวิริยะสมาธิปัญญาให้กับใจ ขั้นที่หนึ่งต้องมาเพิ่มกำลังด้วยศรัทธาเราต้องมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าการปฏิบัติตามคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ชีวิตจิตใจของเราที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถเป็นคุณเป็นประโยชน์ได้เท่ากับ บุญของคุณประโยชน์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของการปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อให้มีเงินเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ยังไม่สามารถเอาอันนี้เอาเงินไปซื้อมรรคผลนิพพานได้ไม่สามารถที่จะบรรลุทำขั้นต่างๆได้ซื้อได้อย่างมากก็แค่สวรรค์ชั้นเทพเท่านั้น คนที่มีเงินสามารถเอาเงินนี้ไปซื้อสวรรค์ชั้นเทพได้คือเอาไปทำบุญนั่นเองอย่างญาติโยมวันนี้ญาติโยมก็เอาเงินมาทำบุญอันนี้เป็นการซื้อสวรรค์ชั้นเทพกันถ้าได้ทำบุญอยู่เรื่อยๆใจก็จะมีความสุขมากขึ้นใจก็จะขึ้นสูงขึ้นจากมนุษย์ก็จะไปเป็นเทพกัน แต่ถ้าอยากจะไปสูงกับชั้นเทพต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยิบเจ็ดนี่เงินทองซื้อไม่ได้แม้แต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ยังต้องมาบวชนะถ้าอยากจะไปนิพพานนี่ต้องออกบวชในสมัยพุทธกาลนี่พระพุทธเจ้าก็เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดิน อยากไปนิพพานอยากจะหลุดออกจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องออกบวชนะถ้าอยู่ในวังนี้ไม่มีวันที่จะสามารถปฏิบัติให้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่พอออกไป นอกวังไปอยู่กับพวกที่เขาศึกษาพวกที่เขาไปติปปฏิบัติวิธีที่จะทำให้ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวรยียนว่ายตายเกิด<ม>ก็สามารถทาได้อย่างรวดเร็วนะต้องไปอยู่กับกลุ่มเดียวกันอยู่กับพวกที่เขาต้องการที่จะหลุดพ้นนี่ขั้นแรกนี้เราต้องสร้างศรัทธาขึ้นมาด้วยการ เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าใกล้อยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าตอนนี้ไม่อยู่แล้วแต่ท่านบอกว่าถ้าอยากเจ้าเข้าหาพระพุทธเจ้าท่านบอกให้เข้าหาพระธรรมคาสอนที่ได้มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกในพระคำพีในคซึ่งเป็นคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้ได้ศึกษาอยู่บ่อยๆให้ได้เรียนอยู่บ่อยๆได้ฟังอยู่บ่อยๆแล้วจะมีศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนเพราะจะได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของภาษาวกของพระพุทธเจ้าว่าท่านทำกันอย่างไรท่านเป็นเศรษฐีท่านเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินท่านก็ต้องสละ ความเป็นเศรษฐีสละความเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ออกบวชถือศีลกันแล้วก็ปฏิบัติสติสมาธิปัญญากันท่านจึงได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆกันได้เนี่นี่เราต้องอยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วเราจะได้มีกำลังใจ เห็นท่านปฏิบัติมันก็ทำให้เรามีกำลังใจที่จะปฏิบัติตามคือมีตัวอย่างที่ดีนั่นเองเวลาเราอยู่กับคนที่มีความดีเขาทำความดีเราก็อยากจะทำความดีตามเขาดังนั้นเราต้องเข้าหาพระพุพพทธพระธรรมหรือพระสงฆ์อยู่ใกล้ๆพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์ ฟังคำสั่งคำสอนดูวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสงสาวกถ้าไม่ท่านตายไปแล้วก็อ่านประวัติได้สมัยปัจจุบันนี้เราโชคดีมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนเกี่ยวกับปฏิปทาการปฏิบัติของพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าในยุคปัจจุบันคือพราะสาย หลงปู่มั่นหนังสือชื่อว่าปฏิปทาพระทวดงกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นเนี่ยอันนี้พระอาจารย์มั่นนี่ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ท่านเป็นพระอาหารหันต์เราทราบได้อย่างไงก็เพราะเวลาที่ท่านตายไปอัฐิของท่านกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระาธาตุขึ้นมา อันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ทราบจากผู้ที่ได้ไปศึกษาลริ่มเรียนจากท่านว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนบริบูรณ์ของการเป็นพระอาหารหันต์ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆเป็นพระสุ ป, ปฏิปันโนผู้ที่ได้ไปศึกษาได้ไปปฏิบัติกับท่านก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันได้เป็นจํานวนมากเนี หนังสือเล่มนี้เขียนโดยโดยหลวงตามหาบัวซึ่งตอนนี้มีญาติโยมพิมพ์มาให้แจกที่นี่กันใครอยากจะมีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมขอให้อ่านหนังสือเล่มนี้เถิดแล้วกำลังใจมันจะไหลมาอย่างแปลกประหลาดมาสัจจันท์เห็นครูบาอาจารย์แต่ละรูปท่านศึกษาท่านปฏิบัติธรรมกันอย่างคึกคักอย่างเข้มข้นนะ อย่างไม่ย่อท้ออย่างอดทนกล้าหารกล้าไปอยู่ในป่าในเขาคนเดียวกล้าไปอยู่ในป่าป่าช้าคนเดียวไม่กลัวสิงสารสัตว์ไม่กลัวผีไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเหรอใจท่านมีความแน่วแน่ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และได้ไปฝึกอัดไปอยู่กับคู่บาอาจารย์ที่เป็นพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็จะทำให้เกิดศรัทธาที่จะกล้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติและทรงนำมาสอนให้ปฏิบัตินนี่คือการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นเนี่ยถ้าท่านไม่มีกําลังใจเอาหนังสือปฏิปทาพระเถระกมฐาน สายผ้าจันมั่นนี่ไปอ่านดูเขียนโดยหลวงตามหาบัวยานสัมปโนโวัดป่าบ้านตาตอนนี้ท่านได้จากโลกนี้ไปแล้วแต่ท่านก็ทิ้งพระธาตุให้พวกเราได้กราบไหว้บูชาท่านเป็นพระอริยสงฆ์ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ไปสนทนากับ พรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสายหลวงปู่มั่นเพราะเป็นสายเดียวกันเป็นครูบาอาจารย์องค์เดียวกันไปถามวิธีการปฏิบัติของแต่ละท่านว่าท่านปฏิบัติอย่างไรท่านชอบอยู่ในที่แบบไหนบางองค์ชอบอยู่ในถ้ำบางองค์ชอบอยู่ตามป่าชา้าบางองค์ชอบอยู่ในป่าลึกมีวิปฏิปทาการต่อสู้กับกิเลสด้วยวิธีการต่างๆ บางท่านก็นาะนั ng, ่งนานนนั่งเป็นนั่งทั้งคืนบางท่านก็เดินนานนาบางทีท่านก็ไปเดินตามไที่มีมีมีรอยเท้าเสือเดินผ่านไปผ่านมาเดินจงกรมในที่อย่างนั้นท่านบอกมีสติดีเพราะใจมันกลัว เมื่อมันกลัวก็ต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้มันกลัวก็ต้องคอยบริกรรมพุทโธพุทโธเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาถ้าไม่เชนนั้นความกลัวมันจะทำให้อยู่ไม่ได้ในที่น่ากลัวแต่พอใช้สติบริกรรมพุทโธพุทโธขึ้นมามันก็เลยทำให้ความกลัวหายไปก็เลยเห็นคุณค่าของสถานที่น่ากลัว ว่าเป็นที่ที่จะช่วยเจริญสติช่วยทมใจให้เป็นสมาธิช่วยให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้นะครับงท่านก็ชอบไปนั่งอยู่ที่หน้าหน้าผาเลยเพราะชอบสับประงกชอบนั่งแล้วหลับพอไปนั่งที่หน้าผาถ้าสับประงกก็ตกลงเหวไปเลยก็เลยไม่ไม่กล้าง่วงกันพอไปนั่งในที่อย่างนั้น ความง่วงเหงาหาวนอนไม่รู้หายไปไหนหมดนี่คือวิธีการต่างๆที่พวกเราจะไม่รู้กันถ้าพวกเราไม่ศึกษาไม่ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านจะเล่าเรื่องราวเหล่านี้ที่ท่านได้ยินได้ฟังท่านได้ปฏิบัติมานอกจากตัวของท่านแล้วท่านก็มีเพื่อนที่เป็นครูบาอาจารย์ร่วมกันที่มีวิธีการปฏิบัติ แตกต่างกันไปตามจริตนิสัยของแต่ละองค์แต่ละท่านท่านก็จะได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เอามาถ่ายทอดมาสอนมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันพอเราได้ฟังวิธีการต่อสู้กิเลสด้วยวิธีต่างๆมันก็ทําให้เรา มีเครื่องมือเ อ, อ่อวเราถ้าอยากจะสู้กับกิเลสเช้นนี้ต้องทําอย่างนี้ถ้ามันง่วงนอนต้องไปนั่งอยู่ในป่าช้าหรือไปเดินจมกรมในที่มันน่ากลัวเดี๋ยวหายง่วงถ้าอยู่ที่สบายที่ปลอดภัยอยู่ในบ้านปิดติดแอร์นั่งเดี๋ยวเดียวก็ครอกหลับมันสบายเกินไปการปฏิบัติแบบสบายนี้มัน จะพาไม่ให้ไปถึงไหนการปฏิบัติมันต้องยากลำบากต้องมีอะไรมากระตุ้นสติกระตุ้นความเพียรถึงจะสามารถพาให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปได้นะดังนั้นขั้นต้นนี้ต้องพยายามสร้างศรัทธาด้วยการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยวิธีการต่างๆอย่าหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าก็อ่านพระไตรปิฎก อ่านพระสูตรต่างๆอ่านประวัติของพระพุทธเจ้าอ่านวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าอดข้าวถึงสี่สิบเก้าวันนี่ก็คือพระพุทธเจ้ากว่าจะได้ตัดสรุ้ขึ้นมาถ้าท่านทําได้เราก็ต้องทําได้เพราะท่านก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเราก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดา เป็นคนมีกิเลตตันหาเหมือนกับพวกเราท่านทำาอย่างได้ได้เราก็ทำได้เหมือนเวลาที่เราดูพวกนักกีฬาเขาทำอะไรได้พวกพวกเด็กที่อยากจะเป็นแบบนักกีฬานั้นเขาก็เอาตัวอย่างของนักกีฬาเหล่านั้นมาเป็นตัวอย่างนักกีฬาฝึกหัดอย่างไรเขาก็ฝึกหัดตามเขาเดี๋ยวต่อไปเขาก็กลายเป็นนักกีฬาเหรียญทองขึ้นมาได้ อยู่ที่มีตัวอย่างให้เรียนแบบนั่นเองถ้ามีตัวอย่างที่ดีมันก็จะได้แบบฉบับที่ดีจะทําให้ได้ผลที่ดีตามมาอย่งนั้นเราต้องเข้าหาแบบฉบับที่ดีแบบฉบับที่ดีสําหรับของศาสนาพุทธก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นีอ่อย่างนั้นขอให้เราหมั่นศึกษา คำสั่งคำสอนหมั่นศึกษาวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสารวกแต่เราลูปว่าท่านศึกษาท่านปฏิบัติกันอย่างไรถ้าไม่ได้ศึกษาถ้าได้ไปอยู่กับพระปฏิบัติเลยก็ได้ยิ่งดีนะไปอยู่กับครูบาอาจารย์จะได้ยินได้ฟังธรรมของท่านได้ยินได้ฟังวิธีการปฏิบัติของท่าน ว่าอะไรจึงทำให้ท่านสามารถปฏิบัติธรรมต่างๆเหล่านี้ได้พอเรารู้วิธีการเราก็จะได้นำเอามาปฏิบัติกับตัวเราได้พอเราเอามาปฏิบัติกับตัวเราเดี๋ยวเราก็ได้ผลเหมือนกับที่ท่านได้ผลนี่คือการสร้างศรัทธาที่จะทำให้เรามีกําลังที่อยากจะปฏิบัติตามคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าอยากจะละบาปให้มันหมดไปจากใจ อยากจะสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมอยากจะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะการกระทาเหล่านี้จะทำให้จิตใจสูงขึ้นสุขขึ้นทุกน้อยลงไปจนทุกหมดสิ้นไปได้นั่นเองเพอละการกระทาบาปทั้งปวงได้ก็ไม่ไปอบายลนะปิดประตัวบาย พอสร้างกุศลทั้งหลายถึงพร้อมก็ขึ้นสวรรค์ชั้นเทพเลแล้วพอมาชำระใจด้วย ส, สติสมาธิด้วยศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี่สิบก็ขึ้นไปเป็นเป็นพรหมนะแล้วพอมาศึกษาปัญญามาศึกษาไตรลักศึกษาอริยาศาศาสัจสีก็เกิดปัญญาความรู้ที่จะเอามาใช้ในการชำระ นาหยุดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้พอหยุดได้ใจก็เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาเป็นพระโสดาบันเป็นพระสะกิดาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอาหารหันต์ตามลำดับนี่คือศรัทธาตัวที่จะดึงให้พลังตัวอื่นตามเกิดขึ้นมา พอมีศรัทธาแล้ววิรยิยะความขยันความภาคเพียนมันมาเองพอรู้แล้วว่าเราทำแล้วจะได้อะไรมันก็มีกําลังใจมีความขยันที่จะทําเหมือนเวลาเราทํางานนี่พอเราทํามาค้าขายแล้วกําไรนี่เราจะขี้เกียจไหมไม่ขี้เกียจพ อ, อกาําไรนี่โอ้บางทีทําทั้งวันทั้งคืนเพราะรู้ว่ายิ่งทํามากเท่าไหร่ยิ่งได้มากขึ้นทางนั้น ความขยันมันมาเองเนี่ยขอให้มันได้กําไรได้ผลนะ้นถ้าทำไปแล้วขาดทุนนี่มีกําลังใจจะทำไหยไม่มีหรอกทำไปแล้วก็ขาดทุนต้องฟักเนื้ออยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ล่มจมนี่ก็ไม่มีกําลังใจที่จะทำเนี่ยแต่ถ้าเราได้ศึกษาว่าถ้าเราได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนะเราจะได้รับอะไรบ้างพอรู้ว่าผลที่เราจะได้รับนี้มันดีมันเลิศ ม, มันประเสริฐ กว่างานทั้งหลายในโลกนี้ต่อให้ทํางานระดับไหนก็ตามเป็นมหาเศรษฐีระดับไหนก็ตามเป็นผู้บริหารระดับไหนก็ตามประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทําเหล่านี้สู้ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะผลที่เราจะได้รับนี้มันเหนือกว่า ผลทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้นพระพุทธเจ้าทรงตัดว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงก็นี่แหละคือผลที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมนี้เป็นผลที่วิเศษกว่าผลที่เราจะได้รับจากงานบางทางโลกงานที่ทําให้เป็นเศรษฐีงานที่ทําให้เป็นใหญ่เป็นโตสู้งานที่ทําให้เป็นพระอาริยบุคคลไม่ได้ เพราะว่าความสุขที่ได้รับนี้ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินความสุขของพระอริยะนเหมือนกับฟ้าความสุขของพระเจ้าแผ่นดินของพระธานาธิปดีของมหาเศรษฐีนี้เป็นเหมือนกับดินต่างระดับกันมากน้อยต่างกันมากถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วมันก็จะทำให้เรามีความขยันหมั่นเพียรขึ้นมา พอรู้ว่าถ้าเราทำมากเราก็จะได้มากเหมือนกับทำงานถ้ากำไรแล้วถ้าทำมากก็ยิ่งจะได้กำไรมากขึ้นทำน้อยก็กำไรน้อยทุกคนทำงานก็เพื่ออยากจะได้กำไรกันได้รา ย, ายได้ที่ดีก็จะทำให้มีความกระาเหมือนเพียรเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปบังคับเนี่ยเพียงแต่ต้องคอยบังคับให้มันหยุดพักผ่อนบ้าง ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตายเสียก่อนรวยแล้วแต่ไม่ได้ใช้เงินพร้อมตายเพราะทำงานมากเกินไปเขาเรียกว่า workaholic เข้าใจไหคน alcoholic นี่คนติดเหล้า workaholic นี่คนติดงานทำงานเป็นบ้าเป็นบ อ, อไปเลยไม่มีเวลาพักผ่อนหลับนอนเดี๋ยวก็ตายเร็วเครียดเห็นไหมพวกที่นักบริหารนี่บางทีอายุไม่เท่าไหร่ เส้นเลือดในสมองตีบหัวใจวายความดันสูงเพราะเวลาทำงานมากๆนี้มันทำให้ร่างกายนี้ เ, เครียดขึ้นมาต้องมีการผ่อนคลายต้องมีการพักผ่อนมันถึงจะไม่ไปบีบคั้นอวัยวะต่างๆของร่างกายให้ชำลุดทุดโทรมอย่างรวดเร็วนี่เป็นเรื่องของศรัทธา พอศรัทธาในอะไรแล้วนี่มันจะมีความเพียรมีวิริยะตามมาทันทีศรัทธาในทางของพระพุทธศาสนามันก็จะมีวิริยะมีความเพียรที่จะเจริญธรรมะที่จะทำให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองธรรมะที่จะทำให้หลุดพ้นได้ก็คือสติสมาธิและปัญญาเนี่ยก็จะมาเพียรสร้างสติ พอได้สติก็จะมีกําลังเพิ่มมากขึ้นมีกําลังที่จะไปทำให้จิตตั้งมั่นอยู่ในความสงบได้พอจิตตั้งมั่นอยู่ในความสงบได้ยิ่งมีพลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้มากขึ้นมีอุเบกขามากขึ้นก็จะสู้กับกิเลสตัณหาความรักความชางังความกลัวความหลงต่างๆได้มากขึ้น จนไม่มีความรู้สึกสะทกสะทานกับความรักชังกลัวหลงจะไม่มีความรักชังกลัวหลงในใจเลยใจจะเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆได้แล้วพอมีปัญญาก็จะมากําจัดความอยากต่างๆที่หลอกให้ใจไปหลงคิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้นดีสิ่งนั้นให้ความสุขสิ่งนี้ให้ความสุข แต่ถ้ามองเห็นด้วยปัญญาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ให้ความทุกข์ทท้านั้นเพียงแต่เป็นความสุขหุ้มไว้เท่านั้นเองห่อเอาไว้เหมือนเอ า, เอ า, เ, อาเอาของสกปรกใส่กล่องแล้วก็เอากระดาษสวยๆมาห่อกล่องนั้นแล้วก็เอาโบมาติดไว้แล้วเขียน Happy Birthday ก็คิดว่าโอ้ได้ของขวัญพอเปิดเข้าไปถึงยอล้องจ้ขึ้นมาว่ามีแต่ขยะ นี่คือตัวอย่าง เ, าเปรียบเทียบให้ฟังว่าของต่างๆในโลกนี้ที่เราคิดว่าให้ความสุขเนี่ยพอแกะกล่องแล้วมันถึงจะร้องจ้าขึ้นมาว่าโอ้ยมันทุกข์มันเป็นความทุกข์มันสุขตอนที่ได้มาเพราะยังไม่ได้แกะกล่องเพราะมันจินตนาการไปต่างๆว่าได้สิ่งนี้มาแล้วจะให้ความสุขไปตลอดชีวิตเนี่ยที่ไหนได้สุขได้วันสองวันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้ว เพราะสิ่งนั้นมันหายไปซะแล้วหรือมันเปลี่ยนไปซะแล้วมันหมดอายุซะแล้วมันตายไปซะแล้วพอมันเปลี่ยนไปทีนี้ความสุขที่ได้จากมันก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เข้ามาสู่ใจแทนแต่ถ้ามีปัญญามันจะเห็นแล้วมันจะไม่หลงเวลาเกิดความอยากได้อะไรบอกไม่เอาดีกว่าสุขขนาดไหนเดี๋ยวก็ต้องทุกข์เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนเดี๋ยวก็ต้องจบ ไม่มีใครเป็นใหญ่เป็นโตไปได้ตลอดไม่มีใครรวยไปได้ตลอดเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเวลาร่างกายตายไปความรวยความยิ่งใหญ่ก็หมดไปกับร่างกายบางทียังไม่ทันตายก็หมดไปก่อนก็มีนี่คือปัญญาที่ผู้ปฏิบัติพอเริ่มมีพอเริ่มมีศรัทธาแล้วเทนี้วิริยะคือความขยันหมั่นเพียรมันจะมาเอง แล้วมันจะรู้ว่าจะต้องไปเพียรทําอะไรในทางของการปฏิบัติธรรมก็ต้องเพียรสร้างสตินั่นเองเพราะว่าถ้าไม่มีสติก็ไม่สามารถที่จะไปทําใจให้นิ่งสงบให้เป็นสมาธิให้มีกําลังอุเบกขาไว้สู้กับกิเลสตัณหาได้แล้วเมื่อไม่มีอุเบกขาก็ไม่สามารถที่จะไปเอาปัญญามาฆ่ากิเลสตัณหาได้จึงต้องปฏิบัติเป็น เป็นขั้นไปพอมีศรัทธาแล้วก็จะมีความเพียรพอมีความเพียรก็จะไปเพียรเจริญสติทีนี้จะขยันเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยจะไม่ปล่อยให้เวลาว่างเปล่าเพราะเวลาใดที่ไม่เจริญสติก็เท่ากับเป็นการเผลอสตินั่นเอง กาเรเผลอสตินี่ก็เป็นการเปิดช่องให้กิเลสตัณหาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจให้มาสร้างความทุกข์ในจิตใจเหมือนกับเวลาเราเปิดประตูบ้านทิ้งไว้เนี่ย ก็เหมือนเปิดช่องให้ขโมยเข้าบ้านให้โจรเข้ามาป้นบ้านมาทำร้ายเราได้เว้นเราจรึงระมัดระวังเรื่องบ้านช่องใช่ไหมเราไม่เปิดประตูทิ้งไว้โล่โล่เราต้องคอยปิดมันตลอดเวลาไม่อยู่บ้านก็ต้องใส่กุญแจปิดหน้าต่างเวลาอยู่บ้านก็ต้องอล็อกใส่กรอนอะไรป้องกันไม่ให้คนข้างนอกเข้ามา สติก็เป็นเหมือนกับประตูบ้านนี่แหละถ้าเราไม่มีสติก็เท่ากับเราไม่มีประตูบ้านพอไม่มีประตูบ้านภัยต่างๆก็เข้ามาในบ้านเราได้โจรผู้ร้ายก็เข้ามาได้สัตว์เรื้อยคานสัตว์ที่เป็นอันตรายก็เข้ามาในบ้านเราได้เราจึงต้องคอยปิดบ้านให้มิดชิดตลอดเวลาฉะนในใจของเราถ้าต้องการที่จะ ปิดป้องกันไม่ให้ภัยคือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเข้ามาสร้างความทุกข์ให้กับใจเราก็ต้องพยายามเจริญสติอยู่บ่อยๆทุกเวลานาทีเลยทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวจะไม่ปล่อยให้ไม่มีสติต้องคอยเจริญสติคอยควบคุมสติควบคุมความคิด ถ้าไม่ควบคุมความคิดเดี๋ยวความคิดมันจะไปชวนกิเลสมาเข้าเข้ามันมาในใจเรานั่นแหละพอคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อยากได้ขึ้นมาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็โกรธขึ้นมาเราต้องมาคอยควบคุมความคิดมาปิดประตูบ้านของใจเพื่อที่จะได้ไม่ให้มีอะไรเข้ามาสร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเองถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะเข้าใจเห็นความสาคัญของสติ ว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นในทุกกรณีทุกกรณีก็คือทุกเวลาเหมือนการปิดประตูบ้านนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นทุกกรณีเวลาเราหลับนอนเราต้องปิดประตูบ้านให้มิดชิดเวลาเราไม่อยู่บ้านเราก็ต้องปิดประตูบ้านให้มิดชิดฉันใดสติใจของเราก็ฉันนั้นต้องมีสติทุกเวลาพอปฏิบัติแล้วมันจะเห็นความสําคัญของสติ เห็นคุณค่าของการมีสติว่ามันทำให้ใจเย็นสบายเวลาขาดสติปั๊บนี่ใจร้อนขึ้นมาวุ่นวายขึ้นมาทันทีนะกจ็จะเพียรพยายามสร้างสติในอันดับแรกก่อนจะเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับนะพอตื่นขึ้นมาก็เริ่มเจริญสติเลยพุโทโธพุโทโธไป คอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดในเรื่องราวต่างๆบางคนก็ใช้การเฝ้าดูอิรลียบทของร่างกาย พอลืมตาขึ้นมาก็ดูเลยว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ตรงไหนอยู่ในท่าไหนกำลังอยู่ในท่านอนหรือแล้วกำลังจะทำอะไรต่ อ, อกำลังจะลุกขึ้นมานั่งกำลังจะยืนกำลังจะเดินให้มีสติเฝ้าดูทุกปิรยาบทของขานเคลื่อนไหวกำลังอาบน้ำกำลังล้างหน้ากำลังแปรงฟันให้อยู่กับอิยาบทต่างๆแทนพุโทโธก็ถ้าเราไม่ชอบพุโทโธเราชอบดูการทางานของร่างกาย กายก็เฝ้าดูมันไปเพื่อที่จะดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนั่นเองนะถ้าไม่พุโทโธก็ต้องดูร่างกายถ้าไม่ชอบพุโทโธไม่ดูร่างกายจะเอาคําบริกรรมอย่างอื่นก็ได้สังโฆก็ได้ธรมโมก็ได้สวดอิติปิโสไปก็ได้อะไรก็ได้ที่ทําให้ใจไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนะอันนี้เป็นการเจริญสติเป็นการปิดประตูบ้าน ปิดประตูใจไม่ให้ไม่ให้สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเข้ามาทำลายจิตใจมาสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจพอเริ่มจเจริญสติเห็นคุณประโยชน์ของสติก็จะเพียรพยายามจเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับพอมีสติแล้วทีนี้ก็จะสามารถนั่งสมาธิได้ สามารถทำใจให้ตั้งอยู่ในความสงบได้กาว่าสมาธิคือการตั้งใจอยู่ในความสงบนั่นเองถ้าใจยังไม่สงบนี้เรียกว่าสมาธิไม่ได้เรียกได้ว่าสติเช่นเวลาเราเดินจงกรมเดินรือทำอะไรเราพุโทโธไปนี้เราได้แต่การจเจริญสติได้แต่ความว่างแต่ใจยังคิดอยู่แต่คิดไม่มากไม่ได้คิดในเรื่องที่ทาให้เกิด พิดเกิดภัยต่อจิตใจถ้าต้องการให้ใจนิ่นงสงบอยู่ในความสงบนี้ต้องหยุดคิดหมดเนี่ยวิธีที่จะทำให้ใจหยุดคิดก็ต้องนั่งเฉยๆนั่งขัดสมาธินั่งหลับตาแล้วก็พุทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไป ถ้าทำได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวใจก็เข้าสู่ความสงบหยุดคิดเหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่สัตว่ารู้รู้เหลือแต่ผู้รู้อยู่กับอุเบกขาอันนี้หละจะทำให้ใจพบกับความสุขที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเหนือกว่าความสุขทั้งปวงสุขเอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนัตติสันติปรังสุขขังพอจเจริญสติแล้ว ผลก็คือสมาธิมันก็ตามมาพอมีสมาธิก็ใจก็จะมีกําลังมากขึ้นกัรต้นมีกําลังด้วยศรัท ธ, ธาแล้วก็มีมีกําลังด้วยความเพียรความขยันหมั่นเพียรแล้วก็มาได้สติตัวที่สามมีกําลังเพิ่มขึ้นสามเท่า จากศรัทธานหนึ่งเท่ามาเป็นสองเท่าที่ทวิทยะความขยันหมั่นเพียรแล้วพอมาจจรณสติก็ได้สามเท่าแล้วพอมานั่งสมาธิทำใจให้นิ่งสงบได้ก็ได้สี่เท่าเนี่ยเพิ่มกำลังขึ้นไปมากๆาก พอได้อุเบกขาได้ความสงบแล้วก็สามารถที่จะไปใช้ปัญญามาหยุดความอยากต่างๆหยุดกิเลสตัณหาได้ก็ต้องศึกษาว่าปัญญานี้คืออะไรก็คือรู้อะไรถึงจะเรียกว่าปัญญาก็ต้องรู้อริยสัจ ส, สี่รู้ไตรักษรู้ว่านิจจังทุกขังอนัตตาผู้ใดเข้าใจอริยสัจ ส, สีก็จะรู้ว่า ความทุกข์ต่างๆเกิดจากความอยากของเหานี้เองไม่ได้เกิดจากใครเลยเขาด่าเหานี้ไม่ใช่เป็นตัวทำให้เราทุกข์ตัวที่ทำให้เราทุกข์คืออยากไม่ให้เขาดา่าเราใช่ไหมเราอยากให้ใครด่าเรามั่งหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมพอใครเขาดา่าเราเราทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่อยากให้เขาดา่าเราแต่ถ้าเราอยากให้เขาดา่าเราเราจะดีใจไหมวันนี้ได้วันนี้พ่อแม่คิดถึงเราดา่าเราเป็นห่วงเรา คิดอย่างนี้ก็จะทำให้เวลาใครด่าเราแทนที่จ ะ, ะทุกข์กับไม่ทุกข์กับดีใจเพราะดีใจว่าเขาสนใจเขาเป็นห่วงเราเขาถึงด่าเราว่าก่าวตักเตือนเราเนี่ยพาที่ไปอยู่คูบาอาจารย์ว่าไหนาไม่ถูกดาา่าแล้วเสียกาไม่ได้เหมือนกับไม่มีวิตามินไม่ได้กินวิตามิน เอาวันไหนถูกครูบาอาจารย์ด่าแล้วดีใจท่านเมตตาท่านเป็นห่วงเราท่านเห็นเราทำอะไรไม่ถูกท่านก็เลยต้องเตือนเราเอาจริงจริงพระที่ไปอยู่กับครูบาอาจารย์นี้รอให้ท่านด่ากันอยากจะฟังคำด่าของท่านมีภาพฝรั่งรูปหนึ่งบอกว่าดีใจที่หนองปู่ชาถีบท่าน <laughs> ท่านบอกว่าหนองปู่ชาสอนว่า อย่าไปดีใจเสียใจกับคำพูดของคนอื่นเวลาเขาด่าเราก็โกรธเขาตั้งแต่เช้ามาถึงเย็นเวลาเขาชมเราก็ดีใจตั้งแต่เช้ามาถึงเย็นใจเราก็เลยกิ้งไปกิ้งมากับคำพูดของคนอื่นไม่เป็นไม่ได้เป็นตัวของตัวเองขึ้นอยู่กับ คำพูดของคนอื่นสุขทุกข์ของตนเองกลายไปติดอยู่กับคนอื่นสแสดงว่าโง่หัวใหญ่เลยเราต้องไม่ไปติดให้คนอื่นมาทําให้เราสุขให้เราทุกข์เราต้องเป็นผู้ทําให้เราสุขให้เราทุกข์เอง ท่านเลยถีบสอนเลยบอกนี่โง่พอชมตอนเช้าชมโอ้ยดีใจมาถึงเย็นพอเย็นถูกถีบนี่เดี๋ยวเสียใจแต่ท่านบอกท่านไม่เสียใจท่านบอกท่านดีใจว่าโอ้ท่านเมตตาอุตส่าห์สั่งสอนนี่คืออริยสัจสี่เข้าใจว่าความทุกข์ของใจนี้ไม่ได้เกิดจากใครเกิดจากความอยากของใจ พออยากแล้วไม่ได้ก็ทุกข์อยากไม่ให้เขาดา่าพอเขาด่าก็ทุกข์อยากให้เขาชมพอเขาไม่ชมก็ทุกข์แต่ถ้าไม่อยากแล้วจะไม่ทุกข์เขาจะชมหรือเขาจะดา่าจะเฉยเฉยนี่คือหลักของอริยสัจสีให้รู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากความไม่ทุกข์เกิดจากความไม่อยาก และวิธีที่จะทําให้ไม่อยากว่าต้องเห็นเป็นเห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นไม่เที่ยงมันจะทําให้เราทุกข์ทีหลังตอนต้นมันจะให้ความสุขกับเราอยากได้สิ่งนั้นมาดีใจได้มาใหม่ๆเดี๋ยวพอมันเก่ามันเปลี่ยนไปมันหมดไปก็ทําให้เราเสียใจทําให้เราทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นเหมือนเดิมมันต้องเปลี่ยนได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเก่าลงไปทำรุดสุดโซม เสื่อมเลื่องหายไปเรื่องหมดไปนี่คือไตลักเห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นว่าเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ไปรักษามันไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนไปหมดไปตามเรื่องของมันถ้าเราไปอยากให้มันไม่เปลี่ยนอยากให้มัน เหมือนเดิมอยู่มันก็จะทำให้เราทุกข์เพราะมันเราเพราะเราจะต้องผิดหวังมาจะไม่ได้ดังใจอยากนั่นเองนี่คือระดับของปัญญาถ้าเห็นปัญญาเห็นอริยาสัจสี่เห็นไตรลักษณ์แล้วก็จะไม่กล้าอยากกับอะไรสู้เฉยๆอยู่กับอุเบกขาดีกว่าสักแต่ว่ารู้ไปดีกว่าใครชมก็เฉยไปอย่าดีใจใครด่าก็จะไม่เสียใจ ได้อะไรมาก็อย่าไปดีใจแล้วเวลาเสียไปจะไม่เสียใจถ้าได้มาแล้วดีใจเวลาเสียไปจะเสียใจดีใจมากก็จะเสียใจมากดีใจน้อยก็จะเสียใจน้อยไม่ดีใจก yes like ็จะไม่เสียใจวิธีที่ไม่เสียใจไม่ดีใจก็คือต้องทำใจให้เฉยเป็นโอเบคาแล้วก็มีปัญญาคอยเตือนว่าอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจ โลกนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงให้คิดอย่างนี้แล้วต่อไปมันก็จะไม่กล้าที่จะดีใจเสียใจกับอะไรมันรู้เฉยๆดีกว่าปลอดภัยที่สุดพอไปอยากไปอะไรขึ้นมาแล้วมันจะทุกข์มันจะเสียมันจะร้อนขึ้นมา อยากแล้วไม่ได้ก็เสียใจได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอสิ่งที่ได้มาหายไปก็เสียใจอีกเพราะมันเปลี่ยนไป น, นี่คือปัญญาขั้นสุดท้ายของการสร้างพลังให้กับใจพอมีปัญญาแล้วทีนี้ใจก็สามารถทำลายความอยากต่างๆที่เป็นตัวมาสร้างความทุกข์ให้กับใจให้หมดไปตัวที่พาให้ใจไปเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากมันก็จะ ถูกปัญญาทำลายไปหมดพอทำลายไปหมดทีนี้ก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจากตายภก็ไปอยู่ในนิพพานแทนนิพพานคือที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดตอนนี้พวกเราอยู่ในตายภพกันเป้าหมายของพวกเราก็คือต้องการที่จะออกจากตายภพไปสู่นิพพานนิพพานเหมือนฝั่งฝากนู้นตายภพเหมือนฝากนี้ การจะข้ามฟา ก, ก็ต้องว่ายน้ำเป็นต้องมาหัดว่ายน้ำกันต้องมาฝึกสร้างกำลังใจกันการจะว่ายน้ำข้ามฟากจากฟากของตายพบไปสู่ฟาของนิพพานได้นี้ต้องมีพลังกำจใจต้องมีพลังที่จะว่ายข้าม กระแสของกิเลสตัณหานี่เป็นตัวที่คอยที่จะขวางไม่ให้ใจได้ข้าม้ากไปสู่้าของพระนิพพานได้ผพ้ที่จะข้าม้ากไปสู่้าของพระนิพพานได้ต้องมีกำลังใจต้องมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาศรัทธาคือความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์วิริยะคือความขยันหมั่นเพียรสติคือการตั้งระลึกรู้ คือการระลึกรู้สีสมาธิคือการตั้งมั่นอยู่ในความสงบปัญญาคือความรู้อริยสัจดูไตรลักนี้เองถ้าเรามีทั้งครบทั้งห้าประการเราจะมีกำลังที่จะว่ายข้ามกระแสของกิเลสตัณหาได้กิเลสตัณหาจะไม่สามารถมาขวางกันพระนิพพา น, านของผู้ที่มีศรัทธามีสติมีวิริยะมีสมาธิมีปัญญาได้ พระอรหันตุกรูปท่านมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาท่านจึงสามารถพาใจของท่านให้ข้ามฟากจากไตพบไปสู่ฟากของนิพพานได้ใจของพวกเราก็สามารถที่จะข้ามฟากได้เหมือนกับพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าเรามาสร้างคุณธรรมทั้งห้านี้ให้แก่ใจของเรามาสร้างศรัทธามาสร้าง วิริยะมาสร้างสติมาสร้างสมาธิมาสร้างปัญญาแล้วจิตใจของเราก็จะข้ามฝากจากไต่ไตภพจากสังสารวัฏไปสู่พระนิพพานได้อย่างแน่นอนวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวาฮาปุราปาริปุเรนติสากหลังเอวเมววาอิโตทินางเปตานัง e อุปกะปติอิทิต e ังปทิตังตุมหังคิปเมววาสัม um ิจโตสัเพปุเรนโตสังกปาจันโทปันาราโสยะถามณีโชติ อาราโสยะาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีตีขายุโกภวะ อาพิวาทนสีลิสะนิจังวุธาปัจายโนจตารธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลาังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียว ไม่มีหลังใหม่ขออภัยด้วยพ่อเหนื่อยถ้าแม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งคำถามเข้ามาก็ได้ก็เป็นเหมือนหลังใหม่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นคำถามของใครเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาแต่เราเป็นนักเรียนเราไปอายทำไมก็เป็นนักเรียนอยู่ในห้องเรียนด้วยกันทุกคนอยากจะรู้อะไรไม่รู้อะไรก็ถามได้ไม่ได้เป็นความเสียหายอะไร ความอยากรู้นี่เป็นเป็นที่เกิดของปัญญาความอายนี้เป็นที่เกิดของความโง่ถ้าอยากจะโง่ก็อย่าถามถ้าอายก็ไม่กล้าถามก็อย่าถามก็จงโง่ต่อไปถ้าอยากจะฉลาดก็ต้องอยากถามอยากดูไม่ต้องกลัวไม่มีอัตตาตัวตนอยู่แล้วผู้ถามก็คือจิตเท่านั้นเองไม่ใช่นายกในายขอ เป็นธรรมะล้วนๆทีนี้ไม่มีอัตตาตัวตนอันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมาเท่าไหร่ค่ะวันนี้จาก f ฟ c e b o o สามร y อยหกสิบห้าูสามร้อยสิบห้าวิทยุออนไลน์ยี่สิบเอ็ดผู้รับฟังบนนี้หกสิบสี่รวมเจ็ดร้อยหกสิบห้าท่านค่ ะ, ะมีคำถามไหมมีค่ ะ, ะ, ะถามไปก่อนเลยเคคำถามจากคุณบุญธรรม กับใจต่างกันอย่างไรครับก็มันตัวเดียวกันเนี่ยเป็นอยู่ที่ว่ามันคิดหรือมันรู้ถ้ามันคิดเราก็เรียกว่าจิตถ้ามันรู้เราก็เรียกว่าใจเป็นตัวเดียวแต่มันมีสองหน้าเหมือนพระพรหมมีสี่หน้าใช่เอมจิตมันมีสองหน้าเป็นผู้รู้กับผู้คิดเวลามันคิดเราก็เรียกว่าจิตเวลามันรู้เราก็เรียกว่าใจ คำถามจากคุณอรุณโนไทยใจเราสงบไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งสิ่งนี้ดีแล้วใช่ไหมเจ้าคะถ้าไม่เอียงไปทางรักชังโกลงก็ดีถ้าเอียงซ้ายเอียงขวานี่ยังไม่ดีอยู่ที่เอียงแบบไหนเอียงเอียงพราะเพราะฝ่ายซ้ายชอบพวกฝ่ายพวกฝ่ายซ้ายไม่ชอบพวกฝ่ายขวานี่ก็เอียงแบบนี้ก็ไม่ดี นังเอ ง, เองไม่เอียงไม่เอียงไปกับรักชางกลัวหลงเนี่ยมีท่านี้แหละนอะนมส ก, การพระอาจาร์ค่ะออยากทราบเรื่องการพิจารณาอสุภะค่ะอย่างถ้าปกติที่เราออกจากสมาธิแล้วปกติก็คือเวลาที่เดินก็แค่จะรู้เวลากิริยาของ ทางกายคะ่ะแต่ถ้าจะพิจารณาอสุภานี้ต้องทำยังไงบ้างคะก็แทนที่จะรู้ร่างกายก็รู้รูร่างกายที่ไม่สวยงามแทนนึกถึงภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายภาพต่างๆเช่นภาพของคนตายนี่ก็เป็นภาพของร่างกายเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามอยากจะดูภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายเราก็ต้องนึกถึงมัน ถ้านึกไม่ออกก็ต้องไปดูตัวอย่างแล้วเ อ, อมามันึกต่อเช่นไปดูศพนี่ไปดูถ้าไม่มีศพให้ดูก็ไปดูภาพที่เขาถ่ายศพมาให้ดูแล้วก็พอดูแล้วพยายามนึกมันให้มันจําได้ให้มันอยู่ในใจเวลาเราเดินจงกรมเราก็เลิกถึงภาพเหล่านี้ต่อไปเวลาเราเจอ ภาพสวยงามเราก็จะได้ว่าเออเป็นสวยงามก็จริงแต่เดี๋ยวต่อไปมันก็ต้องไม่สวยเพราะเดี๋ยวทุกคนมันก็ต้องกลายเป็นซากศพไปเรื อ, อยากจะดูศพศพดิบก็คือดูเข้าไปภายใต้ผิวหนังของร่างกายร่างกายสวยภายนอกแต่พอเข้าไปข้างในนี่เป็นผีดิบนี่มีกระดูกมีโครงกระดูกมีปอดมีตับมีลำไส้มีอะไรต่างๆ นี่คือการพิจารณาสุภะในลักษณะต่างๆเพื่อคลายความหลงในความสวยงามของร่างกายความสวยงามของร่างกายก็เป็นเซี่ยวหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่น่าดูไม่ชมพอเราไม่ไปคิดถึงมันมันก็เลยเหมือนกับมันไม่มีคิดว่ามีแต่ส่วนสวยอย่างเดียวแต่มันมีทั้งสวยแล้วไม่สวย อย่างมรดกก็มีคนโพส์อภาพของคนตอนที่เป็นสาวกับตอนที่แก่อก็ภาพของคนคนเดียวกันนี้มามาทาบกันไว้แล้วก็ให้มันเปลี่ยนไปจากสาวกลายเป็นแก่ออจากหนุ่มกลายเป็นแก่อดาราภาพยนตร์ต่างๆนี่ก็คือการนึกถึงอสุภะ นถึงความไม่สวยงามของร่างกายจะเอาลักษณะไหนแบบไหนก็ได้มีหลายวิธีจะดูการอาวัยวะภายในร่างกายก็ได้ดูโครงกระดูกก็ได้มีใครไม่มีโครงกระดูกบ้างแต่มองไม่เห็นกันพอมองไม่เห็นกันเลยคิดว่าโครงกระดูกนี่สวยนะประกวดมีการประกวดโครงกระดูกกันทุกปีไหมประกวดนางงามโครงกระดูกโลกมิสยูนิเวิร์สก็โครงกระดูกนี่แหละ มิสเวลก็โครงกระดูกใช่ไหมนางสาวไทยก็โครงกระดูกประกวดโครงกระดูกกันทั้งนั้นนะเพียงแต่ว่ามันเอาหนังไปปิดไว้ไปห่อไว้ไปหุ้มห่อไว้มันก็เลยมองไม่เห็นโครงกระดูกนะแต่ความจริงก็ประกวดโครงกระดูกก็ประกวดตับไตลำไส้ปอดหัวใจ เพราะร่างกายมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่เวลาเราประกวดนั่งประกวดร่างกายแล้วก็ปวประกวดของพวกนี้เพียงแต่เราไม่เอามาเชิดแค่นั้นเองเลยมองไม่เห็นและคิดว่ามันไม่มีพอเราเอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆเราก็จะรู้ว่ามันโกหกเราไม่ได้หรอกใครจะมาบอกว่ามันหลอ่อมันสวยนี่โกหกเราไม่ได้หรอกมันมันหลอห่อก็มันสวยแค่ผิวหนังเท่นั้นเอง พอมองเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วมันก็กลายเป็นของที่น่าขยะขยงไม่น่าดูคำถามจะคุณปิดตาเพราะเหตุใดที่ว่าเรียนทางโลกเรียนอย่างไรก็ไม่จบเพิ่มแถมเพิ่มอัตตาแต่เรียนทางธรรมแล้วมีวันจบอัตตาจะน้อยลงไปเรื่อยๆครับก็ทางโลกมันมีวิชาหลายขแขนงด้วยกันเนะียจบขแขนงนี้ก็อยากจะไปเรียนขแขนงนั้นต่อใช่ไหม <c oughs> บางคนจบนิติศาสตร์ก็อยากจะไปเรียนรัฐศาสตร์ต่อจบรัฐศาสตร์ก็อยากจะไปเรียนบริหารธุรกิจต่ออีกฮะโฮ้ยมันมีความรู้หลากหลายมากมายกายกองเรียนเท่าไหร่ก็ยังเรียนไม่จบเรียนแล้วก็คิดว่าเก่งมีอัตราตัวตนมากขึ้นว่าเราเก่งขึ้นแต่หารู้ไม่ว่าเป็นความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอด ความรู้ทางโลกนี้ไม่สามารถทำให้เรารอดพ้นจากความทุกข์ได้ต่อให้จบปริญญากี่ใบก็ตามปริญญาเอกกี่ใบก็ตามก็ยังร้องห่มร้องไหย้ยังเศร้าโศกเสียใจอยู่ยังคิดฆ่าตัวตายได้แต่ถ้า เรียนทางธรรมนี่พอจบแล้วไม่มีวันทุกไม่มีวันที่จะคิดฆ่าตัวตายไม่มีวันที่จะคิดว่าตนเองเก่งคนที่มีความรู้ทางธรรมไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งหรือตัวเองฉลาดเพราะไม่มีตัวตนที่จะมาให้คิดนั่นเองมีแต่ตัวรู้ตอบไปคำถามจากคุณยุทธนาเวลาภาวนาจิตถามกันเองถูก ต้องไหมครับไม่ถูกอนะ่ะภาวนาอย่าให้มันถามเลยอย่าให้มันคิดเอี่ยให้มันพุโทโธอย่างเดียวยมันจะถามง่ามันพุโทโธถามพุโทโธถามว่าตอนนี้กําลังพุโทโธอยู่หรือเปล่าเถ้ายังไม่พุโทโธก็รีบพุโทโธเสียแค่นี้ให้มันอยู่กับพุโทโธไปให้มันหยุดความคิดพอถามแล้วมันก็จะคิดยาวไปเลย เรื่องนี้ถามเรื่องนี้แล้วก็ถามเรื่องนั้นต่อนี่ยบางคนถามวันนี้พรุ่งนี้ก็กลับมาถามอีกแล้วถามมาม่รู้กี่วันแล้วถามไปแล้วได้อะไรถามไปแล้วเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็กลับมาถามใหม่นั้นหยุดถามดีกว่าหยุดคิดดีกว่าจะได้ได้ธรรมะโดยที่ไม่รู้สึกตัวโดยโดยที่ไม่รู้ว่าการที่ไม่คิดนี้กลับได้อะไรดีกว่าคิดเนี่ย ค่ะคำถามจ้คุณจุธารัตน์สรุปแล้วจิตกับความคิดเป็นอันเดียวกันหรือไม่คะจะไปสรุปมันทำไมล่ะก็ก็แล้วก็พูดอย่างนี้แล้วมันจะสรุปไม่สรุปคุณก็สรุปเอาเองก็แล้วกันนะขี้เกียจสรุปให้คำถามคถามจะคุณนัตตี้ จริงๆแล้วเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรคะอะไรคือจุดสูงสุดของการปฏิบัติธรรมเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ไม่มีความสุขกันใดในโลกนี้ที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงอความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนั่นแหละคือสิ่งที่เราปฏิบัติกันก็เพื่อสิ่งนี้ คือความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่เกิดจากความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติคำถามจากคุณอัมพานันฟังจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะพยายามรักษาศีลห้าแต่เมื่อสองวันก่อนฆ่ า, มาแมลงวันไปสองตัวเช้าวันต่อมานั่งสมาธิจิตคิดถึงมแมลงวันดิฉันบาปมากไหมคะก็บาปเท่ากับถา ม, มาแมลงวันมันเลยมาถามเราทาไม ใครเขาฆ่าเราเรารู้สึกบาปมั่งไหมเวลาใครฆ่าเรานี่เราจะโกรธเขามากงไหมนั่นแหละต้องถามคนที่เขาถูกฆ่าดูว่าบาปหนักไหมคนไม่ถูกฆ่าจะไปรู้ได้ไงถ้าใครมาฆ่าเราเราก็ต้องบอกว่าหนักแน่ๆหรอเราไม่บอกว่าเบาหรอคอยมึงตกนรกมึงฆ่าอูมา <laughs> <laughs> ถามถา ม, มันทำไมถามแรงวันดูเล คำถามจากคุณภูริมพัฒนรบกวนพระอาจารย์อธิบายยถาภูตายานค่ะเพราะอ่านในกูเกิลแล้วยังไม่เข้าใจอย่างกระจ่างค่ะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะเราไม่ได้เรียนภาษาบาลีมาต้องไปถามพวกปรเรียนนพวกปรเรียนนี่เขาเรียนภาษาบาลีเขาจะรู้ว่ายะถาแปลว่าอะไรภูตาแปลว่าอะไร เราเรียนแต่ภาษาไทยภาษาอังกฤษธรรมะโดยตรงเอไม่ได้เรียนผ่านบาลีเลยไม่ค่อยรู้บาลีสังเกตที่เราพูดนี่ 99% นี่ไม่เป็นบาลีเลยเพราะเราไม่ได้เรียนมาโดยไม่กล้าตอบนะลองค้นต่อไปสิเดี๋ยวมันก็เจอเองอ่ะมันไม่มีแล้วเหรออ่ไม่มีหลังไหม่นะถ้าอยากจะถามก็ถามหน้าไหม่นี่นะอ่ไม่กลัวอะไร เออเอาไหมออา้าวขึ้นม า, ามีคนหนึ่งมียอมขึ้นมานรัส ก, การพระจารย์นะคะคือตอนตัวเองหลังจากว่าทําบัตสวดมนต์เสร็จแล้วก็ล้มตัวลงนอนนะคะแล้วก็พุโทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วอยู่ๆจิตมันรวม แต่ว่าตอนที่รวมก็คือไม่มีคําพูดโอยู่แล้วนะคะรวมเสร็จพอดีใจก็เลยพูดโธใหม่หายอแล้วก็อ๋อเอาใหม่ก็จําคาพรัญชนะว่าให้รู้อย่างเดียวก็าข่าวต่อไปทําใหม่เขาก็เป็นอีกคราวนี้พอเริ่มรวมก็รู้ว่ารวมแต่ก็เป็นอยู่สองสาครั้งแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ทําอะค่ะจากนั้นควรทํายังไงต่อไปคะก็ทําต่อเลยทำไมไม่ทํา่คือก็ทาบ่อยๆให้มันชํานานต่อไปมันจะได้รวมได้นาน ค่ะเราจะมีความสุขท่านรวมจริงๆมันจะมีความสุขมันจะติดใจนี่แสดงว่ายังไม่ติดใจยังติดใจอยู่ค่ะเขาพูดว่าติดใจแล้วทำไมไม่ทํำนะคือตอนนอนแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธแล้วมันเริ่มนิ่งคําพุทโธหายไปแล้วก็เริ่มรวม่แต่บางทีเราก็เหนื่อยไงคะอาจารย์แต่พยายามจะทําต่อไปค่ะแต่คือทําแบบนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะทำุกวันแต่ถ้ามันเหนื่อยวันนี้พรุ่งนี้ก็ทําใหม่ทําไปเรื่อย นี่คือถูกเลยมั้งแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวหลับไปแล้วตื่นจิตเข้าร่างไม่ถูกอาก็กลัวไม่มีหล้ว ไ, ไม่ต้องไปกลัวแล้วจิตมันไม่เคยออกจากร่างมันอยู่ของมันมันสงบมันก็ยังอยู่กับร่างกายอยู่ไม่ต้องกลัวมันจะยากกันก็ตอนที่ร่างกายตายเท่านั้นเนะอะสาธกค่ะจะทำต่อไปค่ะตอนนี้นส<อ>ง่งให้เมื่อชี จะส่งไปหน่อยเ ส, ส่งไมไส่งแม่ทีโทษค่ะ <laughs> นะามสกาลค่ะของพ่อก็คือใกล้ๆหน่อยไม่ค่อยได้ยินก็คือแม่ทีปีปีบวชแล้วก็อยู่วัดที่แบบว่าเออมันเป็นวัดที่เป็นผาค่ะผาล้อมแล้วพอดีว่าหลังจากที่ตอนในขณะอยู่เนี้ยก็มีความกลัวกลัวทุกอย่างเลยค่ะ ก็คือกลัวคนกลัวกลัวอาจารย์กลัวคนที่อยู่กลัวสถานที่จนแบบว่าภาวะจิตก็คือมีอย่างเดียวคือสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมแต่ว่าบางครั้งอ่ะก็รู้ว่ามีสติบางครั้งก็รู้ว่าไม่มีสติในการทำแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าก็คือมันไม่มีอะไรทำไงก็คือที่นั่นเขาก็จะก็ไม่มีงานอะไรให้ทำค่อยๆมาทาพุทโธไงเราไม่ทาเอง ถ้าทํางานมันก็ไม่ได้พุทโธเลยค่ะก็คือไม่หน so ูหนูก็ทําอะค่ะแต่ว่าบางทีหนูก็มีความกลัวมากกว่าทําอะไรถ้ากลัวปั๊บก็รู้ว่าไม่ไม่พุทโธแล้วก็รีบกลับมาพุทโธนะความกลัวเกิดจากความคิดความคิดเจือกเกิดจากการไม่มีพุทโธพอเรามีพุทโธปั๊บมันก็หยุดคิดพอหยุดคิดความกลัวก็หายไปคเรนต้องพยายามขยันพุทโธอืมค่ะแล้วก็ก็คือ หลังจากไอ๋อไม่ก็คือหลังจากที่หลังจากที่ออกพรรษา ม, มาก็คือก็ออกลงมาทําธุระกรุงเทพอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าร่า ง, งกายมันไม่ค่อยโอเคค่ะพระอาจารย์ของพ่อก็คือร่างกายมันเหมือนกับซุปผอมแล้วก็แบบมันไม่มีกำลังใจห่อเหียวแล้วบางทีอยู่ในความเงียบอย่างเงี้ยก็รู้สึกกลัว มันไม่ใช่เรื่องของร่างกายเรามันเรื่องของใจเราทั้งนั้นเลยใจของเราถูกกิเลสมัน ล, ลุมล้อมมันเลยทำให้ใจเราหดหู่ใจเราไม่มีชีวิตชีวาเพราะเราไม่มีธรรมะมาช่วยเราไม่ใช้สติต้องใช้สติพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวสตินี้จะปราบพวกกิเลสที่มาห้อมล้อมใจเรา ทำให้ใจเราเบิกบานทำให้ใจิตใจเราผ่องใสทำให้ใจเรามีกำลังขึ้นมาแลวสตินี้ก็คือช่วยเรื่องเรื่องความกลัวด้วยใช่ไหมค ะ, ะช่วยได้มันจะหยุดความกลัวได้แบบชั่วคราวถ้าจะให้ความกลัวหายไปอย่างถาวรต้องใช้ปัญญาแต่หลังจากที่ม า, มาอยู่บ้านแล้วก็อยู่แบบเงียบๆคนเดียวเนี่ยก็รู้สึกดีนะคะเหมือนกับว่าเราก็พุทโธเราไปมันก็รู้สึกผ่อนคลายอะคะอ่ะ อย่างนี้ก็ควรอยู่บ้านไปก่อนดีไหมคะเลยไง <laughs> ก็ตามใจแต่อยู่บ้านเดี๋ยวมันจะขี้เกียจเพราะมันไม่มีอะไรมากระตุ้นใช่ไหมกระตุ้นมันก็จะหยุดพุทโธแล้วเดี๋ยวก็ถูกกิเรรลสนมเล้ามาอยู่เหมือนกันค่ะแล้วอย่างนี้ก็คือก็กลับไปที่เดิมไปสู้กับที่เดิมใช่ไหมคะหลวงพอ่<ข>อหรือว่าแต่เราว่าอันไหนอันไหนได้ประโยชน์ได้ผลดีก็ลองเอาอย่างนที่นั้นก็แล้วกันค่ะ แต่โดยทั่วไปเนะที่ที่มันมีความกลัวมันจะทําให้เราขยันทําให้เราขยันพุทโธพออยู่ที่ปลอดภัยแล้วมันก็ชราใจไม่ต้องพุทโธก็ได้ไม่มีอะไรให้กลัวแล้วค่ะแล้วถ้าวัดนี้เป็นเป็นวัดที่เราไม่ได้บวชเนี่ยแต่เราไปจำพรรษาไม่ไสำคัญไม่บวชไม่บวชที่ไหนการปฏิบัติอยู่ที่ครูอาจารย์เขาจะรับเราอยู่หรือไม่เท่านั้นเองค่ะอ๋อค่ะน้ำมัสกัดค่ะ ค่ะคำถามจากคุณพิทักษ์จากการที่พระอาจารย์ได้ชี้แนะแนวทางในการพิจารณาอาสุภะจากผู้รับฟังเมื่อสักครู่นี้หากอาสุภะส่วนใดที่เราพิจารณาจนเห็นชัดเจนเข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงของมันแล้วเราควรพิจารณาต่อซ้ําๆต่อไปอีกไหมครับก็พิจารณาจนไม่ลืมทุกครั้งได้เห็นของสวยงามนี่มันจะต้องเหอสุภะมายืนยันว่าไม่ใช่ ของสวยงามนั้นเป็นของของส่วนหนึ่งแต่มันมีอีกส่วนหนึ่งที่มันไม่สวยงามอ่าย่าไปสรุปว่าสวยไปทั้งล่างมันไม่มีหรอกสวยแต่เฉพาะข้างนอกสวยเฉพาะบางเวลาเวลาหนุ่มเวลาสาวเวลาแกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายนี่มันไม่มีส่วนไหนที่สวยเลยเห็นไหมเวลาแฟนตายนี่จะเก็บไว้อยู่ต่อไมไ ม, ไมแล้วรีบส่งให้วัดเลย รักกันขนาดไหนพอไม่มีลมหายใจแล้วก็บายบายแล้วแต่ยังมีลมหายใจนี่ใครจะแตะนะแตะไม่ได้เลยแมห่หมหวงนะนั่นแหละพอไม่พิจารณาสุภาถ้าพิจารณาสุภาแล้วไม่ห่วงแนละ้ใครอยากจะเาผีดิบก็ไปเลยตอนที่มีหายใจก็เรียกว่าผีดิบพอเวลาตายก็เป็นผีจริงท่นั้นเอง คำถามจะคุณปิตาพระกรรมฐานที่เป็นพระอริยสงฆ์ที่เรียนมาทางโลกน้อยเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระป่าท่านบรรลุธรรมได้อย่างไรครับมันไม่ได้ใช้ความรู้ทางโลกมาบรรลุธรรมเลยมันก็ไม่จําเป็นไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องเรียนกอไก่ขอได้มางองกอไก่ขอไขยังอ่านไม่ได้เลยท่านก็ยังบวชบรรลุได้เพราะความรู้ทางธรรมนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับความรู้ทางโลก ความรู้ทางธรรมนี่สั้นๆรู้เหตุรู้ผลหรือว่าอะไรทาให้ทุกข์หรือว่าอะไรทาให้ทุกข์หายไปแค่นี้ก็พอแล้วรู้อริยสัจสี่รู้ตายรักแค่นี้แหละคือความรู้ทางธรรมคำถามจากคุณคันชิตเวลานั่งสมาธิฟังธรรมแล้วเวลาพระให้พรผมน้อมรับพรทำไมตัวผมสั่น เหมือนมีพลังบางอย่างครับเพราะไม่มีสติปล่อยให้ร่างกายใจสั่นมันก็แสดงว่าไม่มีสติใจมันไปอินกับเสียงเสียงให้พรมันไปปรุงแต่งไปกับเสียงให้พรเพิ่มไปกับการให้พรมันก็เลยเกิดอารมณ์ขึ้นมาสั่นขึ้นมาถ้าฟังด้วยการมีสติให้รู้เฉยเฉยมันก็จะไม่สั่น คำถามจากคุณไก่สันกามราคะชอบเกิดตอนเวลาทิ้งตัวลงนอนทุกทีเลยครับผมจะต้องทำอย่างไรจะให้ไม่เกิดครับก็ใช้อสุภามาหยุดมันสิไม่ห้ามมันไม่ได้ส่วนหนึ่งก็เพราะเราไม่นึกถึงอสุภาอยู่เรื่อยๆมันก็เลยชอบนึกถึงแต่ของสวยๆงามๆพอนึกปุ๊บมันก็เกิดกามราคะขึ้นมา ถ้าเราหมั่นฝึกและลึกถึงอาสุภะบ่อยๆต่อไปมันก็จะไม่เกิดการมาราคะคำถามจะคุณจินคอบปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเลยครับสุขทุกข์อุเบกขาสลับกันสมาธิก็เกิดดับไม่คิดแล้วก็คิดสุขสงบแล้วก็ทุกข์ใหม่ต้องทำอย่างไรครับก็ปฏิบัติน้อยนั่งปฏิบัติให้มากกว่านี้ คำถามจากคุณพณรักษ์โยมได้มีโอกาสฟังธรรมพระอาจารย์แทบทุกๆวันเจ้าค่ะและน้อมนํามาปฏิบัติแต่การปฏิบัติจิตไม่ค่อยสงบเลยเจ้าค่ะอยากมีโอกาสที่จะปฏิบัติได้มากกว่านี้และยังติดคือลูกและธุรกิจอยู่เจ้าค่ะแต่โยมก็จะหาทางออกที่ดีที่สุดโยมทําถูกต้องแล้วหรือเปล่าเจ้าคะก็ไม่รู้เหมือนกันล่ะลองทําดูเลยสอ ถ้ามันสงบก็ถูกถ้ามันไม่สงบมันก็ไม่ถูกหมดได้เลยโอเคหมดแล้วก็คิดว่าท่านนี้แหละนะขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปเถอด